ต า, า, างมะท่านทุกคนเคยปฏิบับรักต่างกันมาโดยส่วนใหญ่พวกเราที่มาไปจุงกันในวันนี้ต่างขันต่า ง, างคนฝกต่างมุ่งมาปฏิบัติมาใส่ใมาศึกษาท่าทางศึกษาําหลักํารมะหรือปดิบัติรักต่างโดยว่าการศึกษา ทางคนต่างเ ค, เคยศึกษาเคยสระาาสาาตั้งมาดังนั้นด้านศึกษาของเราเคยผ่านมาพอองควรความดีที่เกิดจะเกิดขึ้นจากการศึกษาการจำตำลักตำลาโดยสัญญาของเราแล้ ว, ลวเราทุกท่าน ข็คงจะถึง น, น, น, นักชนิดพันธุ์เพราะต่างชาตต่างคนเคยจดจำได้ของแาบนิานธ์หรือมีมดแต่จิตของพวกเราท่านในเป็นอย่างนั้นท้องจิตจำได้แน่นยำจิตของเรากว่าจะมีขีเหลือปัญหาในนะกจิตคื อ, อยู่ ใเป็นในตามควาจำที่เราจำมาเพราะนั้นเราจรึงจำเป็นในตามปฏิบัติปฏิบัติตายใจของเราที่มันติดข้างที่มันขุนมัวที่มันเต่าหมองกำจัดตัดเต่าี่เหลือาสวะขี่ อยูอยู่ในใจในวาจาในใจของเราในตัวปัจจัยถึงเราจะจได้หรือไม่ได้อย่างสำหรับกำลังค่อมแหกความเห็นความเป็นเกิดขึ้นในตัวของตัวเราเป็นของที่มีคุณค่าสามารถที่จะยังตัวของตัวได้รับความสงบความเยือกเย็นความอัตจักร การปฏิบัติยิงเป็นของสาคัญยิ่งก่าการระดับรับฟังแต่การสะับรับฟังนั้นก็เป็นของสาคัญคือการสะับรับฟังเป็นแขนที่แต่การปฏิบัติเป็นผู้เดินตามแขนที่แขนที่จงบอกจุดนั้นจุดนั้นแต่รางไ่เดิไปกังก็ไม่าบครับ ที่เป็นอย่างหนึ่งเมื่อไปถึงจริงจังแผนที่กับความเห็นไปจากภาพเจนในตาของเราคิดกันฉะนั้นการปฏิบัติก็คือลงมือทำจิงจังเป็นบ้านการปฏิบัติส่วนตัวดีชั่วจิตถูกหยาละเอียดจิตใจที่ตึดผลอบรม เราทดลปฏิบัติแต่รู้เห็นเป็นขึ้นจากตัวของเราเองสำหรับกำลังไม่เคยเป็นที่เหลือปัญหาไม่เคยจะไปสวรรค์นิพพานที่เหลือปัญหาเกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นจากกายจากใจของพวกเราเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติจึงควรหยุดจิตใจเรื่องนกะายใจทับไล่จิงที่ เราไใจกำหนับยินดีนุ่มหลงต่างๆให้หมดใจการที่เจรณาภาพขันที่พวกเราเคยยึดมั่นสำคันหมรายหญิงรายทางร่าสักวาบุคคลกวเขาว่าเราต่างๆเราต้องเอาปัญญาเท้าช่วยที่เ จ, จรณาหนึ่งจัง อย่างให้เห็นตางการจิงของมันภาพขันอาจจะตระนะกผู้ที่เคยศึกษายังบอกแต่ว่าข้อกอคงเข้าใจแต่ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาภาพคืออะไรภาพถือผสมกันเข้าถึง่องสมมติ้นแต่เป็นหญิงเป็นทางเป็นตร์เป็นบุคคลโดยส่วนใหญ่คือเรา รือการสมมติกันก็คือถาพทั้งสี่ในเสียภาพดินส่วนที่คนสีแสงสมมติว่าเป็นาปภาพดินสนปป่นที่เล้วเอตาสมมติเป็นภาพน้ำส่นที่อบอุ่นสมมติเป็นภาพไฟส่นที่พัดไปพัดมาพัดขึ้นพัดลงเหยียบผาดลม ธาตุทั้งสี่นี้มีอยู่ในตัวของพวกเรานอกจากนั้นก็อาศาัยที่ห้าหรืยืนยันนั่นเ่าความนี้ต่างๆถ้าเรานี้ถ้าหากที่จะมาฟันจริงจังแล้วเขาไม่เป็นหญิงเป็นชาวไม่เป็นตัดไม่เป็นบุคคลถ้าเราแยกออกด้วยสติปัน ญ, ญาของเราจิงจังว่าอะไรเป็นคนผมหรือเป็นคน ผมมันก็ไม่วลามันเป็นคนขนหรือเป็นคนของยังว่าขนนี่เป็นแต่เรื่องสมมติแต่เทาเองพที่ถูกสมมติเขาไม่รู้จักแต่เขาเป็นสัตว์เปบุคคลเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นปะดุทีงเรานี้เป็นของผสมกันขึ้นมีขึ้นเมื่อมันมีจะการเกิดขึ้นความแปรวน ตามจะขาดต้องขันมันจะตองมือแล้วก็แตกเสียหายไปในที่สุดของมันเมื่อเราสะอาดและติใจน่าใส่จิตเห็นจิตขส่ใจอย่างนั้นความจำพันหมันเหมาลายหญิงลายชายลายสวยลายงานต่างๆมันจะหมดไป ต, ตกไปเพราะจิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นไปหลุ่มหลงไปเย็ดมั่นจำพันหมาย ทางแรกมันเห็นมันเป็นขึ้นยินจังในจิตในใจมันปล่อยมันวางใน่ยึดไม่ถือยงหนือจิตเกิดขึ้นจากจิไม่ใจเกิดขึ้นจากที่อีกส่วนใจนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของจิตเมืองอาศัยแล้วก็ถือเอาว่าเขาว่าเราว่าจักรว่าบุคคลเมื่อจิต ผู้หล่มหลงจิตเป็นหัวแน่เหมือกนกันกับหัวรถไฟตายเหมือนตู้รถไฟจิตทาคิดตรงไปในส่วนดีตายก็มกักจกจะทำดีไปตางจิตวอกวนไปทางชั่วตายก็จะต้องถูกไปตามจิตีะ ท, ทำชั่วพูดชั่วไปตางเพราะนั้นตัวสำคัญ พวกเราก็คือจิตจิตเป็นของสำคัญและเป็นของขุดดางไม่เหลือเร่ยสาหรับผู่ที่จะปู่ที่จะเอาธรรมะเข้าฝึกฝัด้อนจริงๆจิตจะต้องยอมจำนนจิตจะต้องละถอนพิงที่ยึดหีือางๆไม่อย่างนั้นทุกท่านที่เกิดมามีที่เหลือปัญหามาเอ่ทุกสูจเหมือนกันทำ มีส่วนนี้ความเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็เกิดขึ้นในบะพอหมดเชื้อหมดที่เหลือปัญหาหมดอริชาอุปาทานคนที่เกิดยังมีเชื้อเรื่องของที่เหลือปัญหามานาทุกิอิชาอุปาทานเหมือนกันเท่านั้นแต่เมื่อเกิดมาแล้วผู้ทึงมีความรู้ความฉลาด เอาอาัดเอาทำเอาไปสึกท้อมจิตใจเป็นจิตใจของใสจิตใจละถอนส่วนเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นมีมดนิธรรมโดยดังมีพวกเราท่านทั้งหลายก็มีกายมีจิตมีถาตมีขันเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ามีสาวะแต่เหตุใดเราพวกเราถึงเคยลุ่มหลงหรือถอดถอนโดยดั่งก่อเพราะเหตุว่า การคิกอ่านการขอดถอนด้านอุปาทานด่านทิ่ขีมาเนี่ยด่านปฏิชาปัญหาเราไม่เด็แค่เด็คิดที่นี้ที่จะเรนมาหาแต่เรื่องเพิ่มเติมให้จิตใจวุ่นวายก่อขวนตัวเองเรื่อยเรื่อเศรษนั้นเรื่องจิตจึงไม่มีเวลาที่จะรู้เห็นแจ่งไปจากละถอน ทำขั่วต่างๆออกจากตัวมีแต่มัเมวเมาลุ่มหลงแค่เทนติดข่องผลที่สุดก้อนหนักหน่ ว, ต ว, ง, ต ว, ง, วงตัวเองทับถมตัวเองเดือดร้อนตัวเองแผลบเขาตัวเองฉะนั้นพวกเราท่านที่เชอได้กระดับรับสั่งทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขอจงเอาจิเอาปัญญาเอาวิชาผี่พระพุทธเจ้า แคม่นนสอนแมาจำจับเรื่องที่เหลือกัน ห, าาหน่างมาแนวพิจิตรมวสอนจิตของตอนให่รู้ให้เห็นให่เดอนชิดจากความหัวเมาเฝ้าฝันจากความเศร้าหมองของจิตให่เป็นจิตที่เยียบเย็นให่เป็นจิตที่ทองสใสให่เป็นจิตที่ดีเด่นชิด จากการฝึกออการอบรมของตนการฝึกออการอบรมก็ไม่มีที่อื่นชีวิตที่จะมาเรื่องของาจของใจนี่แหละเพราะคนเราทั่วไปโดยมากมักอยากถือเรื่องของใจว่าเป็นของสำคัญกว่าใจเศียฐนั้นการปฏิบัติาจจึงเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไป ด่านอยู่ที่หลับที่นอนหมอนมุ้งต่างๆ ต, ตลอด อ, อ, อาหมอาหารการอยู่ชิมหามาให้สำหรับกายได้าพาสได้อาศัยได้กินได้ดื่มสนุกสบายใจ้จิตเองอได้แค่ไดหามาถึงเป็นอาหารของจิตที่ดีดที่สุดสำหรับธรรมะได้แค่ไหามาให้จิตจิงไขว้อยเง ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ทีนี้ที่เจรณาอะไรล่ะเป็นอาหารของจิตก็คีอธรรมะถ้าห่างมีธรรมะมีสติทีนี้ที่เรณาตีสอบเรื่องของยื่นตันหาเหลี่องของของความยึดถือกายต่างๆ์ที่จรณายอดยี่ดูให้รู้ให้พอใจ ตามความเป็นจริงของมันจิตนั้นก็จะมีความสงบจิตนั้นก็จะจะมีความปล่อยวางจิตนั้นก็จะมีความเบาความสบายการที่จะรู้นิสัยด้วยก า, า, ารหาเหตุจิตให้ถืเป็นของสําคัญเหมือนกันกับเรื่องของใจเพราจิตอย่างเดียวเท่านั้นแหละทางแห่งเรามองภาพ เราไม่จะเพื่อปฏิบัติตามโอวาดคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าปล่ายเอาไว้ใ่จิตไปเิดเทนมัวเมาในเลื่อนของโลกจิตจะมีความเศร้าหมองจิตจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆเมื่อจิตเศร้าหมองเดือดร้อนเราเก็เป็นทุกข์ม่มีความสุกความจบา เป็นของสังคัญยิ่งกว่าเรื่องของตายจิตเสียหว่ง เ, ยยงเดียวสมบัติสถาฐานบ้านช่องจะมีมากมามตายฟองขนาดไหนพอรักษาในบ้านคนจะมีรูปร่างกายวามสมมติว่าสวยงามขนาดไหนถ้าหาจิตเสียจิต ย, ยึดติดเกิดบ้าเกิดบอขึ้นละ่ะคนนั้นก็หมิคุณค่า ถึงร่างกา ย, ายโรกเขาจะสมมุติว่าสวยงามขนาดไหนสมมติมคุณค่างานสลรประโยชน์ไนบ้า้สมบัติภายนอกก็เหมือนกัน้าหาจิตเสียแล้วจิตไม่ดีแล้วสมบัติส่วนนั้นก็ไม่มีความหมายแต่นั้นเรื่องการฝึกอบรมจิตจิงเป็นของสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราท่านจะควรฝึกควรอบรมจิ คือสึอมดีแล้วนาความสุขมาให้ผมตามในธาตุจิตว่าจิตตังพันตังสุกขาวาังแหการสึกการอบรมจิตเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแต่ใจคนอื่นจะมาสึกใหกก้การเึกจิตกระน้ำสึกจิตกอคือการวิจารณาธรรมวิจารณาตัวของเราเราเนี่แหละ เรืปปร่องรู้ปฏิทำส่วนที่เห็นเดียตานามธรรมก็คือผื่รู้อยู่ภายในทางหากเราไปมองที่อืน่หนหาที่อืน่นก็จะไม่เห็นธรรมธรรมมันอยู่ในสถานสิ่งผู้ที่ดูสื่อรู้สื่อเข้าใจในส่วนของตายของจิตจิตใจผู้นั้น มีวันมีเวลาที่จะละที่เหลือปัญหาให้สิ่นสุดเป็นีิมุตบได้ทางเมาลุ่มหลงตามตำหลับตำลาเหตดเทนไปตามลมปากของคนอื่นไม่ได้พิจนะารณาอวัยวะของตัวเองมันก็ไม่มีเวลาที่จะละถอนได้การถอนการละ จากการเกิดการจําจากกำลังกําลังการเห็นการรู้ <c oughs> จากการประเัตปฏิบัติมีคุณค่าราชามหาปิจมเดือนนั้นพวกเราท่านขี่มุ่งหน้ามุ่งตามาปฏิบัติปฏิบัติต้องฝึกขับอบรมตัวท้องตัวเอาสติกาหนดคิดนิพจารณาเอาปัญญาแยกแยะแะบดูอะไร เรารุ่มหลงว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าสวยว่า ง, งามที่นิจาจรน า, าติดตามจริจังในตัวของพวกเรานี้มันจะสับเปลีส่อข้อยิ่งต่างทุกสิ่งทุกอย่างมูดพูดที่เขาเสียดกันอยทิ่ต่งตางๆไม่ชอบไม่ยินดีมันออกไปจากที่ไหนไม่ไส้ไหลออกจากแ่้จากตัวของสัตวของบุคคลนี่ ความจริงมนุษย์เป็นของสก ป, ปกยิ่งกว่าสัตว์อื่นที่ด้วยเพราะสัตว์อืน่นเนื้อหนังของเขายังมีผู้นิยมชมชอบขายได้กินได้แต่เนื่อหนังของมนุษย์ตายไปมีคุณค่าราคาอย่างไรไม่มีใครนิยมที่ไม่ได้้ายไม่ออกเป็นของสก ป, ปกอางเหาุการขัดันอยู่้ายนอกลดขาด หรือดินีเมื่อเข้ามาสู่ปากของเราขกเที่ยวเข้าไปแล้วเราถืกลืนได้ก็เพราะอาศัยคือไม่เห็นถ้าหากเราคายออกมาดูจะเป็นอย่างไรอาหารที่เราขบขันกันทุกวันนี้อยู่กินกันทุกวันนี้มันเป็นของสดๆของพอกอย่างยิ่งนี่้าไม่เห็นก็เลยกลืนลงไปได้ ต่างาเห็นมันจะเป็นอย่างไรนี่แหละหลังชายิของเราอยู่ด้วยของเนา่าของเหมึนของเสพก ป, ปกเราเอาร็ดอร่อยเพราะเหตเราเือที่จเมเราเนี่ยแอบบขายจริงจังอาหารจะมีเด่นขนาดไหนถ้าหากไม่มาคุกเข้ากับเรื่องน้ำลายของเราจะเกลื่อนไม่ได้จะต้องถูกน้ำลายมูลคันต่างๆเยอะก่อน จึงจะเคยตกลงไปสู่ลําคอรหรือท้องของเราเนื่อตัวของเราจรึงเป็นของตกกระปกทุกอย่างพออาหารเป็นของตกกระปกแต่เราก็ชอบพอยินดีว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้เราไปดูที่เจริามูลเกิดของมันแต่มันเป็นอย่างไรเลือดที่ มันมีอยู่ในเนื้อในตัวของเรามันสวยไหมเพราะมันมีเลือดเป็นอย่างไรเรายังไดปจุดเลืเอดไปชอบเลือดแต่มันเสียแรงงานอย่างนั้นหรือถ่ายหยดย่อไปผ้าไปที่นอนของเราเราสามารถจะนุ่งได้นอนได้ไหมมันโสดกระโปรงน้ำหมูกน้ำลายเหมือนกันมันมีอะไรที่จะไว้สดงดงานภายในกายของมนุษย์ ที่จะรายงานดูใหรู้ให้สบายใจเพื่อจะไม่หายใจหลงกําหนับไม่หาใจหลงยึดดีนะฮะใจติดข้องถ้างหากเราติดข้องอะไรยึดถืออะไรเี่ยนนั้นแหละเป็นภัยสาหรับตัวของเราเพื่อจะทำํทำจิตทําใจของเราให้เดียดร้อนทางากเราปล่อยได้วางได้ไม่ยึดถือส่วนใดส่วนนั้นไม่มีภัยมีอันตราย มันมันจะบามันเบาคิดดูทุกอย่างก็พอรู้พอเข้าใจสมบัติมีอยู่ทั่วโลกเป็นสมบัติของโลกแต่เมื่ออยู่ในที่อื่นยังไม่ตกเข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราไม่ถือว่าเป็นของของเราเขาจะเอาไปที่ไหนเราไม่มีการเสียอกเสียใจแต่มาตกเป็นของตัวเราเราถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วสมบัติส่วนนั้น เขามามยไปเสียใจร้องให้เสียใจอาฆาตแต่บุคคลที่เข้ามาล่วงเกินสมยใจถ้ารู้จักเป็นอย่างนั้นเรื่องธาตุขันเสมือนกันต้องว่าสมบัติส่วนอื่นถ้าเรายึดอะไรคืออะไรว่าเป็นของของเราใจของเราจะเศร้าหมองใจของเราจะเดือดร้อนเมื่อส่วนนั้นมันเปลี่ยนแปลงแต่ปวนไป หรือถูกอะไรเขา้าถึงเราแบบปาถนาจิตใจของเราเดือดร้อนก็เพราะความยึดถือถปล่อยได้วางได้เท่าไรใจจะมีความเป็นความสบายไปเท่านั้นในคิดทีนี้จะเรนะิ่มในทีท่วนอยางให้มันไปยึบไปถือถ้าหากเป็นของเราเราบอกมันให้แกให้เขา้ามันก็คงบอกได้สอนได้ไม่บอกไม่ได้ไม่ให้แจงให้ต า, ใ ห, ใ, หตาให้เจ็บให้ปวด มันติเกาะปวดใจตามเรื่องของมันมันเป็นขํมอันหนึ่งเป็นเรื่องอันหนึ่งเป็นหมหาวิทยาลัย อ, อันหนึ่งซึ่งเราจะต้องศึกษาไปรู้ให้พอใจคอยจบเรื่องของที่เหนื่อยปัญหาที่มันเกาะติดอยู่ในจิต ใ, ในใจของเราท่านห็นไหมยันจบที่จะได้แนวจบละได้ถอนได้วางได้ การหาทิจนายังใมจบนมเรียนยังไม่ถึงความหลงก็จะจะมีเกาะจิตเกาะใจอยู่เรี่อยไปการทิจนาตายทิจนาใจยิ่งเป็นเรื่องกาปรปฏิบัติปฏิบัติสาหรับละถอนความยึดถือใน่ใจปฏิบัติหามาเพิ่มเติ ม, มให้จิตหนักหน่วงปฏิบัติรู้เท่าไรวางปล่อยเท่าไรใจยิ่งเบายิ่งสบายจนวาง สมมติดได้วางโลกได้เหนือใดใจก็จะมีความหลุดลอยออกไป จ, จากโลกความหลุดลอยหรือความพ้นจากโลกเป็นอย่างไรผู้จิตใจวางได้จะรู้จักทั้งทัีท่มี อ, อะไรแล้วะเนื้อตาอยู่เหมือนคนอื่นแต่จิตใจของท่านเป็นอย่างไรท่านจากครับจากก า, กาปรปฏิบัติของท่าน แต่นั้นพวกเราที่ยึดตุดข้องในเนื้อในตัวก็เพิ่พากันทีนี้ที่จะอะไรนี่เพราะสถานศาึกษามราอยู่ที่อืน่นมีอยู่ในตัวของเรายีเลดยีความเต่าหมองมันมีอยู่ในสถานที่ใดเราลุยกำจัดออกไปจากสถานที่นั้นเพราะ สิืน่นไม่เป็นกี่เหนือแสงขาอะไรย่าหูตาไม่ใช่กี่เหนือนะถ้าหายพิจารมาแล้วตัวโจรจรจังกก็คือจิตพอาจิตหมดเรื่องเย่างแสงขาอะไรย่าหูตายัางมีอยู่หมดเรื่องไปเด็กัไตามๆกันไม่มีอะไรจะเกิดกี่เหนือตันห์เหรอยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านสาเร็จ เป็นพระอรหันต์อาหารหันต์ไม่มีจิเอตส่วนใดจะไปติดข้องในพระทัยของพระ อ, องค์ถ้าองค์ยังทรงชีวิตอยู่ไปแต่ถานที่ไหนก็ไม่มีจิเหลนตกัญหารบลวนท่านทั้งทั้งสี่แนมีออะไรก็แบเหมืนพวกเราหนีไม่พ้นใจคือบ ร, ริสุทธิ์ที่หมดจิเลือดส่วนอื่นก็เป็นจ่เลือดขึ้น จิตจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่พวกเราทุกท่านจะิี่จะละนามละมันเพจิตมันไปหลงทำหลงก็ไม่ยากคิดอยากจะให้จําหวัดดินดีก็ได้คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้จ่าดีอย่างนั้นเสวยอย่างนี้งามอย่างนั้นนั่นก็เกิดจําหวัดดินดีขึ้นได้คิดใช้มันละทางจังหวัดดินดีก็คิด หาความจริงของมันอะไรมันสวยอะไรมันงามทีจะรายานติดตามเข้าไปลจริงจริงจังๆถาดอันนี้มันไม่มีความหมายอะไรใน่าดถาดบินถาดลมถาดไฟมันไม่รร ม, ค ม, ค ม, ม, รรมีความหมายหากจิตใจหนื่อหลงจิตใจรู้มัไม่มีความหมายวามกำลังยินดีของจิตใจแข็งที่ทำใจให้หยึดติดจิตไป ชอบอย่างนั้นยินดีอย่างนี้เป็นเรื่อ ง, งของจิตพอจิตออกจากร่างไปเท่านั้นจะเอาไปแทนกันไว้ทั้งหญิงทั้ชายเลยเป็นเข่ากนันหนาดยินดีในกันแลกกันมีแต่หน้าที่จะเหนื่อยหนัาไปอย่างไรกต่อไปตามธรรมชาติของมันไม่มีใครจะไปเผื่อเชิญมัวเมาฝ่อลันจะเป็นคนประเภดไหนสวยงามอย่างไร เซลจนนักเรียนตามมาอย่างไรมาเต็นไปทางหากจิตหนึ่งมีแต่ควารู้พอเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องทั้งจิตจิตทำไมเชืงไใจหลงไปเทีนอย่างนั้นก็เพราะจิตสำคัญเหมือนไหนมีคำชำละสาสางคิดไปปรุงไปเดี๋ยวแอนเนต้องยื่นปัญหาัาดใหญ่แต่มันก็ ขา ด, ด้านได้แต่สําหรับคนที่ในนี้อาจทำคนที่นี้อาจทำแล้วที่เหลือการหามันตัวมันที่นี้ทีจ ะ, ะรียนมาใ้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่าไปหลงมันความหลงไม่ใช่ทางดีเดวลานี้ก็เป็นเวลาที่พวกเรามาตาอเพปฏิบัติกัน ต, ตั้งแน่กาหนดที่นิ้ทีจะเนาใส่คิด มันเห็นมันยอมจำนนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจังจิตเป็นคนหลงจิตนั่นแหละจะเป็นคนรู้จิตเยือดร้อนจิตนั่นแหละจะเป็นสิ่ที่เยือกเย็นสิทธาฝึกฝึกอบรมถูกตามเรื่องของความแล้วทำคคค áng, ทเคยตำรับเคยตักสารกีดเกลื่อนปัญหาของมนุษย์มา นับจำ น, นว น, วนไม่ถวดในใช่แต่แต่ไหปัจจุบันสม่ไหพุทธการแต่กําระมาแล้วผู้ที่ตัแงหนาาง้าตัาง้งตาปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านเห็นคุณค่าของธรรมว่าเป็นสิ่งที่ส า, าบตามที่เหลือปัญหาราบตามอวิชชาอุปาทานเราทุกท่านที่มุ่งมั่นหน้าปฏิปบัติเราอย่าลืมอาวุธ อาวุธก็ไปใส่อีนไกลคือสติมีปัญญ า, ญญาสติทำมาลึ ก, ลกรู้ในรู้ในเวลาผิดคิดทีดปรุงต่างๆปัญญาเนี้ยสอนว่ามันผูกผิดอย่างไรคิดไปจะเป็นโทษเป็นใคยจิตข้องหรือเป็นเรื่องละเรื่องถอนใช่ทีนะ่จะรณมาแลีวก่อนหลังจนข่อยอคิด ใควทมใครผูดไปเมื่อผูดที่นี้จะมีดปัญญาที่จะมาอยู่อย่างนี้ที่เหลือปันหาที่เคมีอยู่ในจิตในใจนับบันนับเวลาที่จะตงออกไปที่เหลือใหม่ที่จะเข้ามาเกี่ยวแฝงกับจิตใจนับบรันเวลาที่จะหายไปหรือเข้ามาถึงฉะนั้นศัตรูใครเลาจะหามาให้เรานอกจากเราจะกำหนดเอาเอง พามันมีอยู่ในนี้ความลวเล็กได้ก็ดีปัญญาก็ไม่ใช่คนอื่นจะหามาให้กวกพวกเราเองจะพากันถ้าเพี ย, ยพนพยายามคิดอ่ะแต่ทุกอย่างทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีข้อ ม, มูลที่พวกเราจะเกิดมาปฏิบัติสำหรับ เปพียงเพียงกำจัดปัดเา่าหยุดใจที่เต่าหมองให้ลองใส่หยุดใจที่วุ่นวายให้เหยือกเยน็นในใจี้อยู่ในที่อื่นมิอยู่ในตัวของพวกเราท่านเท่านั้นส่วนที่อื่นเป็นตําราของธรรมตัวธรรมแท้ี่อยู่ในกายในจิตของเราให้ศึกษาอยู่ในนี้พิจารณาอยู่ในนี้มันจะไม่เห็นไม่เป็นได้หรือ ทา่อธิจรรยากันด้วยดีพระพุทธเจ้าเนี่ยโกหกพวกครูมชัยเนี่ยครูพระพุทธกติบดท่านเห็นท่านเช่นอย่างนั้นท่านไม่ได้สอนอย่างสุ่มเดาท่านใช้คำได้ผลมาแล้วแต่เราทางคาจริงอย่างท่านมันจะไม่เห็นไม่รู้มันจะมีมาจากที่ไหนก็เดินไปทางสายเดียวกันจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างคนผิดไปก่อน มันจะเป็นรายได้หรือทางกาเรนตามสายนั้นมัน ต, นต้องเคลือนไปส้งรู้ต้องเข้าใจต้องปล่อยต้องวางนี่เราความาความเพียนมันไม่เพียงพอความอดความ้นร่วมแต่อัจแต่ทำทางนั้นเมื่อเวลาคุยกันเวลาทำกิจอื่นทั้งวันทั้งคืนก็พอทำได้เพราะใจมันชอบพอจะพระ อาวนาพอเาร็ต่างๆทํ า, า, ทาความเพียรเยอะเกิดเนหนื่อยเมื่อยละเยอะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานั่นคือมนันสาหรับถักดั น, นจิตใจไม่อยากจะให้ไปสู่อาจสู่ธรรสู่ความดีนิดเดียวเราต้องเตรตัวของเราจิดที่มันวกจิตจิตทางอย่างนั้นแต่คือว่าเป็นมนันมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันลา ทำมาที่สอนไว้แบบอดบาดทนขันติดมีนิยัตถ้าหาใคร ม, มีส่วนเหล่านี้ท่านจะมาสอนทําไมมันจะดวกะบายอยู่ทุกอย่างจะมีการผาาเพียนทําไมจะมีการอดทนทําไมมันต้องเป็นต้องไปทุกผ่าทุกขันความยึดมันม่นถือมั่นบางมันจะหลุดออกได้ต้องอาศัยการผาาเพียนภาวนาการอดการทน ถ้าเราไม่ต่อสู้ก็ไม่รู้ว่าจิตใจของเราสูงต่ำดีชั่วขนาดไหน ม, มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นกําลังคว า, ามสามารถของเราจะเพียงพอหรือไม่เราจะพิจารณาแบบใดจิตใจจึงจะละถอนหรือปล่อยวางได้เราต้องพิจารณาเรื่องของเราเองถ้าหากําลังทางจิตทางใจทางอัตทางธรรมเพียงพอกิเลสมันก็ตก อ, ออกไปหลุดออกไป ได้ออกไปหายออกไปความยึดมั่นไม่มีทุกข์มันจะมีมาจาัดหน่อทุกข์มันเกิดขึ้นจากความยึดมัน่นความผิ ด, ดมั่นหยุดมาจนทุกข์ถ้าหากซอยได้วางได้ไม่นาผูกยังควรอบรมฝึกฝนจิตใจห้องสนยังควรจะมองข้ามเพราะจิตใจเป็นของที่มีคุณค่าราคา ดิเด่นแต่เสรสุดยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกหากผู้ฝึอกอบรมจิตใจรู้เห็นเป็นขึ้นจะเห็นคุณค่าไปตามลำดับเพียงจะจิตส ง, งบส ง, งัดแล่รับความสุขความสบายในวุ่นวายกอควรตัวเองแต่ก่อนใชุ้่กปรุงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจะ ฝึกขัดปฏิบัติอด ท, ทำรู้สึกขัดข้องเยอะอ่านการอ่านเวลาเยอะกว่าอย่างนั้นเยอะกว่าอย่างนี้แต่พอเขียนอดเขียนทำจากการกทปรทปฏิบัติจยได้รับรสชาติความสงบสงัดความปล่อยวางข้องใจเมื่อทำไปเรื่ อ, ๆอยๆก็จะทำสะดวกสบายขึ้นเป็นของเรื่อง ไม่มีอะไรมาถัดขวางอย่างจะก่อนได้มากหาผู้เห็นผู CHUCK, aces, fini, ้เป็นในจิตในใจทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลามีความพอใจใส่คิดขับไล่ส้ยส่งเรื่องที่เดือดตั้งหาทุกอุยาบทจะเดินจะนั่งจะกินจะดื่มความคิดที่จะกำจัด ห ล, หล่ที่ดเด็ดปัญหามีอยู่ทุกการทุกเวลาอย่างที่เราฝึกจิตของเราให้เป็นธรรม้าจิตของเรายังไม่เป็นธรรมมันก็ต้องอาศัยเป็นการเป็นเวลาที่ฝึกตั้งหน้าอาจจะทําแต่ก็ตกไปนี่คืจิตวิญญาณทางกายเท่านั้นใจไม่เป็นไปคนที่ฝึกซ้อมตัวเองจน จิตเป็นมหาสิทุกอิริยาบถไปในสถานที่ใดพูดอยู่ทำอยู่รู้อยู่ทังขานปรุงขึ้นแทบแทบเมื่อใดเข้าใจทันเมื่อนั้นจะติดนิสจะส่อยมันจะดับไปเรื่องตามเรี่ยงของมันอันใดที่เราขล่องใจจะเป็นสาระประโยชน์เรากดจับเอาไว้ทิจารุงต่อไป การหาจะปล่อยตามธรรมชาติของมันมันจะดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับอยู่อย่างนั้นนี่คือเรื่องของสติเข้าไปถึงตัวของจิตเป็นอยู่อย่างนั้นตัวของสรงขานแต่พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นตาไปเห็นหูได้ยินมันเหมือนกันกับโอเหล็กหรือเอาของส้างแข็งไปขีดถึง หยุดขีดแล้วคล้องที่แล้วขีบมันยังมีอยู่แต่ท่านผู้ที่เช็นมหาสติมหาปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับเราขีดน้าพอขีดไปถึงที่ไหนมันก็ดับไปที่นั้นไม่เห็นหล่องลอยอะไรมีความคิดความปรุงข้องใจที่ท่านมีสติมีความจริงจัง่าอย่างนั้นคิดได้ปง ไ, ได้แต่ไม่จิด ไม่มีต่องลอยอะไรเหมือนนกบินบนอากาศตามไม่ได้จิตที่สึกได้อย่างนั้นละได้อย่างนั้นถอนได้อย่างนั้นเป็นจิตที่สบ้ายเป็นจิตที่เยือกเย็นเป็นจิตที่น่าอัศจรรย์พวกเราท่านทุกคนจิตประเทศนั้นมันมีอยู่ขอให้ภากันต่างหน้าต่างๆาพอพื้นปฏิบัติจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้น จากจิที่ยังเมื่อยมโนนท่าตาอยู่นี่ในแก่ตัวอื่นนั่นจะเห็นจะรู้จึงจะเชื่อเลื่อมใสและยินดีเต็มใจในอดในธรรมชีวิตที่เกิดมาก็ไม่เป็นโมฆะเป็นของสื่อมีสาระประโยชน์จึงใดที่เราควรปฏิบัติเราได้ปฏิบัติจนจนจนรู้จนหมด เกิขึ้นความสงสัยภายในใจแล้วเราก็เลยมีการหวงการหวงชีวิตต่อไปเพราะอยู่ไปอีกหมือนปีแสนปีความดีจะเกิดขึ้นอีกมีไหมมันบอกแล้วรูแว้แล้วว่าความที่สุดของจิตที่สุดของธรรมที่สุดของกาปรปฏิบัติมีเพียงแค่นี้ จะประพฤติไปอย่างไรจะให้ดีไปอีกไม่ได้จะให้เสียไปไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้จะห่วงจะห่วงอะไรในธาตในขันตายเมื่อไรความบริสุทธิ์ที่เรารู้เราเห็นมันก็บริสุทธิ์อยู่มันไม่เดือดตายไปตามธาตตามขันจึงมีการห่วงการห่วงการยึดการถือที่เรายังห่วงยังห่วงยังยึดยังถืออยากจะมีชีวิตยืนยงคงอยู่ เพราะยังไม่รู้ไม่เห็นที่สุดจุดหมายปลายทางของอัดของทำแต่ถึถงที่สุดมุดแล้วความห่วงความหวงตายหรืออยู่คุณขาเข่ากันไม่มีอะไรเสียหายจะแนะนําผ่านสอนคนอื่นเขาเร่อมใส่ก็เป็นเอย่างจิตใจของเขาเขาเศร้าหมองก็เป็นอย่างของเขาเราเป็นอย่างไรเราทราบในตัวของเราอยู่เนี่ยมันจะไปเสียกับใครจะไปได้กับอะไรอีกมันไม่มีมันหายสงสัย ทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลาท่านจึงไม่มีการห่วงการห่วงอยากจะอยู่ต่อไปต่อไม่ว่าอยากจะตายไปต่อไม่ใช่แล้วตแต่งแฉเรื่องของจำมันจะมาถึงเมื่อไรท่าในจุดท่องในเรื่องของธาดุของขันขอให้เคยให้อบรวมให้เป็นอย่างนั้นจะรู้เห็นเด่นชัดในตัวเองคาพูดของ พรพุทธเจ้าลัทธิครูอาจารย์ที่ท่านพูดไปกินแค่อย่างไรเราจะทราบได้จากความบริสุทธิ์ของใจเราเองไม่ต้องไปจุ่มดาววัท่านเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ในจิตในอารมไปเองทำไปเองามเห็นความเป็นจะเด่นขึ้นเหมือนกันกับเรารับทานอาหารเอาทานไปเถะ มันยืนจะรู้จักหการปฏิบัติยังไม่ถึงืีดสุดมิมุติิผานเมื่อใดขอขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติเพื่อให้ถึงให้รู้ให้เห็นให้เดินไปจากชาดเกินในจิตในใจของตนเร่งเรียกว่าปัจจัตตั้งในอย่างนั้นก็ดีการสงสัยลังเลอยู่เสมอไป จะเพียรปฏิบัต <Không. S 1> ิเีกำจัดเรื่องความเสียข้านง่ยต่างๆให้ตกออกไปใจเราสำลักได้ไม่ใช่จะเหลือวิสัยหลงมีอยู่ที่ใดตัวลงเรื่องของเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นจให้พิจารณาเรื่องของกายเมื่อหมดเรื่องของกายไปแล้วเรื่องของใจมันเป็นอย่างไรันรจะตาม พิจารณาไปเหมือนตะไฟที่มันหมดเสื่อจากส่วนนี้แล้วมันก็ไปมีเสื้อหยุดที่ไห น, นก็ไม่ไปเท่านั้นอย่างของกายยันเ่็นของสําคัญที่ทุกท่านจะควรที่ีะพิจารณาในหยาดทายเมื่อมันเพียงพอบริบูรณหมดเรื่องของมันไม่ต้องบอกอย่างมันจะปล่อยจะวางมันจะต้องไหลเข้าจุดไหนอะไร ที่ไปเหลืออยู่มันก็จะต้องค้นคิดที่จะรายงานจนหมดเรื่อจริงๆมันจะรู้มันหมดอย่างไรเมื่อหมดแล้วมันก็จะต้อถอใจในต้องไปหาเพราะหามันหลงมันยังไม่รู้ยังไม่เห็นมันจึงหาแต่พิจารณาให้ถอดถึง เรื่องเหล่านี้ไนนี้ผู้อื่นจะมาทำให้การนีนยการสอนเป็นหน้าที่ของท่านแต่แนะแต่สอนแต่ท่านสอนก็เป็นคําพูดของท่าทนเป็นเรื่องของท่านตัวเราเองสอนเราเองดัดเราเองฝึกซ้อมเราเองจะรู้เองเห็นเองเป็นเองขึ้นต้องคันขอให้บํารุงจัดทาคือความเชื่อ สิยาคือความเพียรติคือความระลึกปัญญาคือความที่นิสัจน่ะให้มากเข่าทำเหล่านี้เป็นอาวุธสาหรับปราบดามเกิดยุ่งเิงปัญหาท่านเคยใาย้ได้ประโยชน์มาได้ผลมาเราทุกท่านเมื่อได้สะดับรับฟัง เกี่ยวกบที่บายมาจงนำไปที่นิเพานมาเหมื่อเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบจงนำไปประกอบเพื่อปฏิบตตัติต่างต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญข อ, อุสิตธรรมาเพืยงแต่นี้